อุปสรรคที่ทำให้คนทั้งหลายไม่สนใจเรียนพระพุทธศาสนาการที่นักศึกษาส่วนมากไม่คิดที่จะทุ่มเทเรี่ยวแรงและเวลามาเรียนพระพุทธศาสนาเหมือนกับวิชาอื่นๆนั้นก็เพราะมองเห็นกันว่าวิชาพระพุทธศาสนาจะถือเอาเป็นวิชาอาชีพไม่ได้ซึ่งจะสังเกตได้จากคนที่มีความรู้แต่ทางพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่อาจที่จะไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างฐานะให้ร่ำรวยมีความเป็นอยู่สะดวกสบายเหมือนกับผู้ที่สำเร็จวิชาแขนงอื่นนอกจากนี้คนทั้งหลายยังรู้สึกอีกว่าถ้าขืนไปเรียนธรรมะและเคร่งในทางศาสนาก็จะประกอบอาชีพหรือทำอะไรไม่สะดวกเพราะมันจะเป็นเสมือนหนึ่งเด็กๆที่อยากจะเล่นอะไรสนุกนกตามระษาของเด็กแต่แล้วก็มีผู้ใหญ่มาคอยควบคุม จึงทำให้ตัวเองไม่ค่อยสบายใจหรือไม่ค่อยสะดวกใจในอันที่จะทำอะไรตามความพอใจเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือหลบไปให้พ้นจากผู้ใหญ่ไม่เข้าไปยุ่งกับผู้ใหญ่คนทั้งหลายมักจะมีความรู้สึกต่อศาสนาในลนนักษณะนี้อันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเขาเข้าใจศาสนาอย่างผิวเผินและไม่เคยได้รับประโยชน์จากทางพระพุทธศาสนาโดยตรงนั่นเองจึงนึกไม่ออกว่า พระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นสามารถจะช่วยตัวเองได้เป็นอย่างดีในการประกอบอาชีพและเรื่องอื่นๆทุกอย่าง